เจ็ดขับพิณีวัตรหมวดว่าด้วยสตรีมีคันสิกขาบทที่หนึ่งว่าด้วยการบวชให้สตรีมีคันเรื่องภิกษุณีหลายรูป 1,067 สมัยนั้นพระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถาบินธิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นภิกษุณีทั้งหลายบวชให้สตรีมีคันเที่ยวบินทบาท คนทั้งหลายกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายจงถวายภิกษาฐารแก่แม่เจ้าแม่เจ้ามีคันแก่แล้วตําหนิประนามโพนธนาว่าฉะในพวกภิกษุณีจึงบวชให้สตรีมีคันเล่าภิกษุณีทั้งหลายได้ยินชาวบ้านตําหนีประนามโพนธนาบรรดาภิกษุณีผู้มักน้อยพากันตําหนีประนามโพนธนาว่าจะในพวกภิกษุณีจึงบวชให้สตรีมีคันเล่าครั้นแล้ว